แต่ขณะเดียวกันพระพุทธรัตนาก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะกับคนที่ไม่มีบุญไม่คู่ควรแก่คนที่ไม่มีบุญเพราะคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยนะยากนะที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสังเกตดูนะเราจะคิดถึงคนอื่นได้มากกว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแสดงว่าตอนนั้นเราบุญน้อยเราพูดถึงคนอื่นน้อยกว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเรา บุญน้อยก็บุญน้อยจริงอ่ะนะเขาคุรจิตมันเกิดน้อยวจีสุจริตเนี่ยเกิดน้อยก็เลยกลายเป็นคนบุญน้อยก็สั่งสมบุญมาน้อยและก็กําลังสั่งสมสิ่งที่ในน้อยแต่ถ้าตรงกันค้ำคนที่มีบุญสามารถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยอ่า น, นะคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งในแง่พระ ทวนอีกครั้งหนึ่งในแง่พระปุพพจริยาคุณในด้านพระศรีระคุณพระพุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นหรือพระพุทธกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําเราก็สามารถละลึกได้บ่อยๆแล้วก็จะปลื้มใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่มีผู้ใดจะเลิ่อประเสริฐ น, นะจะเป็นสุดยอดของบุคคลทั้งหลายเสมอเช่นกับพระองค์เพราะพระองค์เกิดมาในโลกเกิดมาทําไม เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อส่งเคราะห์เพื่อช่วยสัตว์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะนะเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่นะพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะการที่พระองค์เกิดขึ้นมาเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าคนทั้งหลายเสียชีวิตเพราะมีพระองค์สัตว์ทั้งหลายไม่เคยเสียชีวิตเลยตรงกันข้าม ชีวิตอายุยืนยาวขึ้นจากการที่พระองค์เกิดขึ้นมาในโลกพระองค์จึงเกิดมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้คนเนี่ยจนลงเลยตรงกันข้ามทําให้คนเนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะการให้ทานเป็นเหตุแห่งความร่ํารวยและทุกคนก็มีศีลศีลเนี่ยก็เป็นเหตุให้แต่ละคนเนี่ยไม่เสื่อมทรัพย์ไม่เสียทรัพย์เพราะคนที่อ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นการเกิดเพื่อพ่อข้ศัพท์ของสัตว์ทั้งหลายนะพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่เคยทําให้สัตว์เนี่ยเป็นการเมเลยเพราะพระองค์เป็นปัจจัยเนี่ยนะไม่มีและพระองค์ไม่พูดคําเทศเลยไม่พูดคําเทจพระองค์ไม่พูดคําสอเสียดให้ใครแตกราวเลยพระองค์เนี่ยคาทุกคำเนี่ยไม่มีหยาบเคยเห็นพระองค์ด่าใครไหมแต่ถามว่าตําหนิคนที่ควรตําหนิยกคนที่ควรยกอันนี้มีไหมบอกมี แต่ด่าผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีเที่วว่า ด, ด่าเพื่อความสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่เคยไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยทําแม้แต่ความคิดจะทําพระองค์ก็ไม่มีเนี่ยนะนั้นพระองค์นั้นจึง เ, เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรให้สัตว์เนี่ยได้รับทั้งวัตถุทานให้สัตว์ทั้งรับสัตว์ทั้งปวงได้รับอภัยทานแล้วก็ได้รับธรรมทานนั้นการเกิดขึ้นของพระองค์นั้น เป็นการเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ศัตว์ได้รับโลกุตรธรรมการเกิดขึ้นของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะโสดาปฏิมักที่ยังไม่ข้อปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมักที่ยังไม่มีก็มีขึ้นการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันก็มีขึ้นมีการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพรามันก็เกิดจากการอุบัติขึ้นของพระองค์ นนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นรัตนะที่ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมันถ้าใจเหล่าใดที่โครจรท่องเที่ยวไปเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยใจเหล่านั้นจึงเป็นใจที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาประมาณมิได้บางคนก็บอกว่าเอ้าก็ทําแล้วไงก็บอกว่าทําไมก็ขอคําแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทำไมทำไมเราขอแค่ครั้งเดียวบอกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทํางานทั้งหลายเนี่ยขอรับ เงินเดือนแค่ครั้งเดียวไหมทั่วไปก็ไม่อยากเรียนอย่างนั้น่ะแต่รับได้ตลอดได้ยิ่งดีนั่นแหละอาหารนึกว่าทานทําไมไม่คิดว่าทานครั้งเดียวก็พอแล้วก็อยากจะทานบ่อยๆใช่ไหมฉันใดบุ ญ, บ, ญบุญก็เหมือนกันทําไมไม่ทําให้บ่อยๆคิดให้บ่อยๆพูดให้บ่อยๆเจริญให้บ่อยๆบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะที่เกิดบ่อยๆเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียว การที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสรนเสริมพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระองค์สูงขึ้นหรือต่ําลงไม่เลยพระองค์ก็ยังคงเป็นพระองค์เช่นเดิมพระองค์ก็คือเป็นผู้ที่ถึงความคงที่แล้วแต่การที่เราทั้งหลายตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นั้นนะบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุญกุศลที่เรียกว่าให้ผลหาประมาณไม่ได้ น, นะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเท่านั้น นะการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นจึงไม่ได้เพื่อตัวพระองค์เองแต่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรอย่างคนดีๆทั้งหลายพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ดีแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นคนดีไม่ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีที่สุดดีที่สุดเพราะอะไรเพราะพระองค์สา ม, มารถที่จะแสดงพระปริยัติธรรมทั้งหลายได้เธอเป็นผู้ที่เปิดประอันนะ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อปิดประตูอบายทุกขติวินิบาสนรกเบเกิด ม, มาเพื่อเปิดประตูสุขติโลกสวรรค์เพื่อปิดสังสารทุกข์เนี่ยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานการเกิดขึ้นของพระองค์ก็เป็นเรียกว่ากระบอกเสียงเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ก็แสดงภาพรปริยัติธรรมทั้งหลายประกาศภาพรปริยัติธรรมที่ที่เรารู้ว่าธรรมะคือปริยัติของพระองค์ที่พระองค์สอนทั้งหมดมีรสเดียวคือ วมุติรสคําของบุคคลอื่นจะไม่เรียกว่าปริยัติแต่พุทธพจน์คําของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระปริยัติเพราะอะไรเพราะพระปริยัตินั้นชนเหล่าใดที่ศึกษาริ่มเรียนและปฏิบัติตามรักษาผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกได้ผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระปริยัติธรรมยังพ้นทุกเลยเพราะเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะในอัตถกถาคัมภีวิพังกล่าวว่าผู้ที่ส่งปริยัติ ไม่ใช่เรียนเพื่อเป็นงูพิษเนี่ยนะไม่ได้เรียนเพื่อเพื่องูพิษอะ่ะไม่ได้เรียนแบบจับหางูพิษเนี่ยนะพ้นภัยกันหมดพ้นทุกข์กันหมดะนะเพราะปริยัติจะช่วยปกปักรักษาเขาทันปริยัติที่พระองค์สอนนั้นจึงมีรถเดียวเท่านั้นคือมีมุติรถหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวัตทุกข์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ทั้งปวงทันพระองค์นั้น แสดงพระปริยัติพระปริยัติทั้งหมดที่พระองค์สอนเนี่ยนะมีเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือย่างลงสู่นิพพานคำสอนทั้งหมดของพระองค์ก็คือการประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ทั้งหมดการประพฤติประเสริฐของพระองค์ทั้งหมดเพื่อย่างลงสู่อมะตะนิพพานนั้นการแสดงธรรมของพระองค์จึงมีมีประโยชน์เพื่อกูนต่อสรรพสัพตว์ทั้งหลาย ดังในรัตนสูตรที่บอกว่าพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแลว้วในเดือนต้นแห่งคิมหันตฤดูฉันใดพุ่มไม้ในป่าเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าใครที่ดูสักเมษาที่ฝนตกลงมาชุม่มเปลิดแตกแตกใบแตกยอดกิ่งก้านสาขาอะไรต่างๆเนี่ยนะปริยัติธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยมากมาอย่างนั้นแหละเหมือนใบไม้ในป่าทุกสูตรทุกคาสอน แต่เป็นใบไม้ประเภทยาคำสอนของพระองค์ทั้งหมดนี่เป็นเหมือนกับยาผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นทำบุคคลนั้นให้พ้นทุกหมดเพราะคำสอนของพระองค์สอนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเว้นไว้แต่เอาไปใช้ผิดประเภท น, นะเว้นไว้แต่ใช้คำสอนของพระองค์ผิดประเภทเช่นเอาไปทำการค้าเอาไป ทำการค้าสแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามคำสอนหรือเอาไปบิดเบือนไปทำลายเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็มีโทษลหละแต่ถ้าหากว่าโดยธรรมดาทั่ ว, วไปแล้วเนี่ยนะชนเหล่าใดที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะชนเหล่านั้นจะประสบบุญเป็นอันมากเนี่ยนะซึ่งมีโอกาสต่อๆไปจะได้กล่าวเช่นป่าสาทิกาสูตรเนี่ยนะเป็นต้นจะเห็นได้ว่า คุณของพระรัตนตรายหรือว่าคุณของพระธรรมที่พระองคสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้หลายท่านสําหรับหลายท่านที่ยังคิดว่าตัวเองยังต้องเวียนไหวตายเกิดในวัตจัหมายค่ะว่าแม้ชาตินี้บรรลุคงยากว่างั้นชาติหน้าคิดว่าคงจะยากอีกเหมือนกันไม่รู้จะไปบรรลุที่ไหนทีนี้ถามว่าอ้าแล้วต่ อ, ต, อต่อไปแล้วทําไงดีสําหรับคนที่เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวะตะัตจัเนี่ยนะ บอกคนที่ปรารถนาพ้นทุกยิ่งต้องศึกษาวะตะัตศึกษาปริยัติธรรมของพระองค์ที่สอนเอาไว้จะได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ในที่หนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัดตะนานเนี่ยนะก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องศึกษาปริยัติธรรมจะได้เว้นจากสิ่งที่มีโทษทำเฉพาะในสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวนั้นปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวยิ่งในยุค ป, ปัจจุบัน ปริยัติธรรมคำที่พระพุทธเจ้าสอนก็ค่อยๆอันตรฐานเสื่อมไปเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ปรารถนาประโยชน์และความสุขให้แก่ตัวเองปริยัติธรรมเราเรียนมากหรือเรียนน้อยพระไตรปิฎกก็คงอยู่ตามเดิมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไหรก็มีอยู่ตอนนี้นะก็มีอยู่8 4 0 0 0พันระธรรมขันเราศึกษาก็ไม่ได้ทาให้คาสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรแต่เราศึกษาเท่าใดก็เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของเราเองเท่านั้นเพื่อเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีทั้งหลายป้องกันให้เราพ้นจากพิษภัยและทุกโทษทั้งปวงมั้นทํำยังไงที่จะให้ใจของเราเนี่ยโคจรไปในพระปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี่แหละที่พระองค์บอกว่าเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะว่าปริยัตินี้แบ่งนับหนึ่งก็คือ ทำที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏทุกนับเป็นสองคือธทรรมวินยัยนับเป็นสก็คือปิดกสนับเป็น5นิกาย5นับเป็นเก้าเรียกว่าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9มีสุตะคยะวยาการณะเป็นต้นนะเพราะพระองค์ตอนนี้ถ้าเราจะรู้จักพระองค์ก็รู้จักในนามของพระปริยติธรรมถ้าไม่อาศัยปริยติธรรมเราจะไม่รู้จักพระองค์อีกแล้วอย่างมากก็เห็นพระบรม สา ร, รีกธาตุซึ่งเหลือ อ, องค์ียกองเล็กองค์น้อยกระจัดกระจายไปทั่วโลกนะไปตามจั ก, กราวาลต่างๆก็ได้เหลือเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาคําสอนคือพระปริยัติธรรมที่พระองค์แสดงไว้เราจะไม่เห็นว่าพระองค์ได้ทําอะไรมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีองค์ประกอบมีลักษณะอย่างไรมีพระสุรเสียง อย่างไรกิจที่พระองค์บำเพ็ญ น, นั้นเป็นอย่างไรพระพุทธคุณต่างๆของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรนั้นปริยัติธรรมทั้งหมดนั้นคือพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่มีปัญญาอย่างนี้พระองค์จะสอนได้ไหมภาพรประิยัติธรรมทั้งปวงถ้าพระองค์ไม่มีกรุณาหวังเกือ้อกูลให้สัตว์พ้นจากทุกพระองค์จะสอนไหมและคําสอนอะไรบ้างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสําหรับของพระองค์มีไหม ไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับตัวพระองค์เองเลยตรงกันข้ามมีแต่ใจที่เรียกว่าเสียสลัก น, นะไม่ได้ทำให้พระองค์สบายขึ้นเลยจากการที่พระองค์เที่ยวสังสรรธรรมแต่ทำให้พระองค์เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่อย่างนั้นก็ด้วยการุณาการุณาของคนอื่นเป็นบุญเป็นกุศล น, นะเพื่อวิบากที่เป็นสุขต่ อ, ตอไปแต่กรุณาของพระองค์เป็น กิริยาพระองค์ไม่ได้ต้องการสแสวงหาผลกําไรจากกรุณาพระองค์ไม่ได้สแสวงหาผลบุญผลกุศลที่เกิดจากการสอนธรรมเลยนอกจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งคําว่าขอบคุณเหมือนกันคําชมเชยคํำขอบคุณหรืออะไระบําเน็จบํานานรายรับรายอะไ ร, ะ ไ, รไม่ได้หวังอะไรจากสัตว์สัตว์ทั้งหลายเลยเว้นไว้แต่ว่า ทำไฉนิสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลได้รับแต่ความสุขได้รับแต่ความเกษมได้รับแต่ความปลอดภัยมีแต่ความพ้นภัยอย่างเดียวนั่นคือคือพระองค์ละ่ะนี่คือพระพุทธเจ้าเพรันผู้ที่ระลึกถึงคุณของพระองค์บ่อยๆเนี่ยนะกุศลกิจก็จะเกิดบ่อยนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลนั้นบุญที่ทําแล้วไม่มีหมดไม่มีจบไม่มีสิ้นคือการเจริญ อ น, นุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะอนุสติโดยเฉพาะพุทธคุณเนี่ยบอกว่าพระพุทธคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้เราสามารถเจริญบุญกุศลชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้ก็อาศัยการเจริญพุทธคุณอย่าลืมว่าปริยัติธรรมทั้งหมดนี่คือคุณของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่มีไม่ได้สร้างบุญมาในอดีต พระองค์จะแสดงได้อย่างนี้หรือถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้สร้างบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถาบารมีสิบมหาบริจาคหอธิฐานธรรมสี่พุทธภูมิสี่อัธยาศัยหเป็นต้นถ้าพระองค์ไม่สร้างเหตุมาจริงๆพระองค์จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้หรือหรือถ้าพระองค์ไม่มีใจกรุณาจริงๆเนี่ยพระองค์จะเที่ยวสั่งสอนหรือถ้าพระองค์ไม่มีความบริสุทธิ์อยู่ในใจเลยคําสอนเหล่าใดก็ต้อง อะไรทำให้คนนี่ทําอะไรเพื่อพระองค์ไหมพระองค์เคยขอความช่วยเหลือให้ผู้อื่นสร้างอะไรนะสแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อพระองะค์ไหมแค่เรียกว่าส่งสวยเป็นต้นเพื่อพระองะค์เลยนะแค่เรียกว่าสแสวงหาปัจจัยสี่ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพวกเธอกระจายไปตามทิศทุกคนจะต้องเอาจีวรมาฝากเราหนึ่งผืนไม่มีเนี่ยนะเอาอาหารมาฝากเราเอาที่อยู่ที่อาศัยเธอต้องไปสร้างวัดให้เรานะไปบไปไ ป, ไ ป, ไป ช่วยกันสร้างวัดเพื่อเราเป็นต้นไม่มีเลยไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำเพื่อพระองค์เพราะพระองค์มีแต่ความบริสุทธิ์ใจว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรแต่การที่เขาบูชาพระองค์นั้นเป็นบุญเป็นกุศลของของสรรพสษษัตว์ทั้งหลายเป็นกรตัูอ่าเป็นความกรตัญยูของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่สำหรับพระองค์ไม่เคยเรียกร้องเอาอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้ใดว่างั้นเถอะนอกจากใจที่กรุณาปรารถนาจะช่วยให้เขา คนจากทุกข์มีแต่เมตตาที่มีต่อเขาให้เขาได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุดที่เขาพึงรับได้